มันมีจะเทศทิ้งเรื่องสังวรในฟังสังวรได้แก่สังวรตาหูจมูกร่างกายใจนี่แหละไม่เด้สังวรใ น, นที่อืน่นหรอกพตะพุทธเจ้าเปันเทชนาวะทัาขุนาสังวรโสทูปัาทุสาทสทโสตายาสังวรโธเท่านั้ทำยังไงยังเรียกว่าสํมรวม ตาสำรับเห็นรูปงูฟังเสียงจมูกสำรับดมกลิ่นเรียนสำรับสัมผัสกับรถกายสัมผัสถูกต้องไอ้ไอ้สัมผัสถูกต้องเร่อนอ่อนแข็งใจสำรับนึกคิ้จะให้สำรวมได้อย่างไงเมื่อเป็นเฉพาะเรื่องจะต้องติดต่อกันอย่างนี้จะให้สํารวมได้ยังไง เพราะเหตุมันติดต่ออยู่นั่นแหละท่านยังให้สารวมทางในติดต่อก็ไม่ต่องสำรวมหรอกที่เรียกว่าอายจตนะก็เรียกคืออายจตนาแปลว่าเป็นเป็นบออเกิดของอารมณ์เป็นตาสำหรับดูรูป เห็นรูกสวยลบงามลบที่เล่ห์ี้ไล่โนบชอบใจไม่ชอบใจจิตใจไม่วันไหวจิตใจไม่ขุนมัวจิตใจไม่เข้าหมอจทยังให้สารวจยังให้ระวังหูสาหรับได้ยินเสียงยังไงยังไงมันก็ต้องได้ยินดีๆนะ จะพุดไว้มันก็ไม่ได้มันต้องได้ยิ้อยู่ดีๆเนี่ยมันลงผ่านได้ผ่านมา <c oughs> เสียงก็ผ่านได้ผ่านมาก็ทบเข้ามาทางหูเสียงเพระเสียงแบเพระเห็นเหตุให้เกิดกิเลสชอบใจไม่ชอบใจแต่จึงให้สำรวมจงมงู สำหรับลมกลิ่นจมูกยิ่งเล้วใหญ่จะปิดไม่ได้เด็กขาดจมูกปิดก็ไม่มีลมให้ใจตายคนเรามันต้องสูบลมนี่ตลอดเวลาสูบลงเข้าลมออกเหมือนกันเอากินหอมกินเหม็นชอบใจไม่ชอบใจเข้าไปด้วยลิ้นถนับสัมผัสคำรดต่างๆ กดเค็มหวานเปรี้ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นไปสัมผัสลีนนั่นแค่ก่อนลีนนั่นก็ไม่ได้กิ น, นอะไรหรอกแต่มันสัมผัสให้รู้จักเค็มหวานเปรี้ยวอ ร, อร่อยไม่อร่อยมันไม่มีอะไรมันมันไม่ได้กินหนันนงลีนกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง ชอบใจไม่ชอบใจยิ่งที่อบอุ่นเย็นรึแข็งกระด้างเป็นเหตุให้เกิดกิเลสอะไรมาเกิดก็ไม่ ม, ม, มีอะไรเหมือนกันกายของเราสัมผัสเดียวเรียกว่าสัมผัเกกสเฉยๆไม่ได้ได้อิ่มได้เต็มอะไรหรอกสัมผัสแต่มานก็นหายไปสัมผัสแลหายไปนั้นมาสัมผัสไป ไปแ้สัมพัสอันอื่นต่อไปอีกนั่นก็อย่างีอีกมีเต็มสักทีทั้ทงจะเกิดินกระทางวันตายใจคิดนึกสิ่งต่างๆอารมณ์ที่เรียกว่าใจธรรมาลมณ์นั่นคิดนึกปรุงแต่งสภัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งดีและไม่ดี ทับสนปนเปยันอยู่นั่นน่ะเป็ทราบว่าอะไรเป็นแกนสาร น, น, น้่อะไรเป็นสาราประโยชน์เรื่องใจสิิงทั้งหลายแล้วนี่นั่นพระองค์นั้นเทศาสน า, าให้สมัมล้มมันต่อเนื่องทึงเรื่องของภายนอกเรียกว่าอัยชนะภายนอก อายุ น, นาภายในคือตัวเรานี้อยู่ตรงที่ยังเรียกว่าอายตนาภายในคือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจอันนี้มันอยู่ตรงที่อยู่กับตัวของเราทั้งของภายนอกนั้นเรียกว่าอายุรธาภายนอกมันกระทบเอา น, นั่นตลอดเวลามันก็แรบกวนกันคนเราธรรมชาติ สร้างมาให้เกิดมาไว้สำหรับกระทบกันอยู่อย่างนั้นไม่ต้องการอยากกระทบมันก็กระทบหายจากหน้าภายนอกมันมีอยู่อย่างนั้นเพราะมันมีจึงสร้างอาักจะหน้าภายในไว้สำหรับให้สำหรับต่อสู้สำหรับให้รกระทบกระทั่ง มันมีอาจจะมา้ะมันมีของภายนอกนั้นนะท่านอย่างสร้างของภายในไว้กรรมมันนี้สำคัญเหมือนกันนะ